เพราะว่าถ้ามีความยินดีพอใจในคำชมเวลาเจอคำตำหนิมันก็จะทุกข์ยิ่งดีใจพอใจเมื่อได้รับคำชมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์เวลาถูกตำหนิมากเท่านั้นคนที่หัวล้อเสียงดังมักจะร้องไห้เสียงดังด้วยคนที่ล็หัวล้อเบาๆ เ, เวลาเจอเรื่องเศร้ามันก็ก็จะร้องไห้เบาๆ เ, เหมือนกันที่บอกวลวคนเราเนี่ยทุกข์เพราะเรื่องของอดีต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 สิ่งที่เราทําไม่ดีแทนที่จะเก็บเอามาเป็นบทเรียนบางทีก็เอามาทำร้ายตัวเอง2 ส, สมวันก่อนก็มีคนสองคนเข้ามาปรึกษาคนนึงเขาบอกว่าเขาเจองูงเขียวในบ้านเขกลัวเขาก็เลยให้เพื่อนมาจับงูไปเพื่อนนี้ก็จับงูไปก็ใส่ถุงแล้ว ก, ก็ผูกปากถุงเอาไว้ไปทิ้งขยะ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 ไปไหนมาไหนก็ไม่มีความสุขแต่คนที่สำนึกผิดได้นี่ก็จะมีความระมัดระวังคอยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุใหม่หรือเกิดเหตุซ้าสองขึ้นมาอีกคนเราไปแบกเอาความทุกข์ไว้ทั้งที่รู้ว่ายิ่งแบกก็ยิ่งทุกข์ก็เพราะว่าไม่รู้ตัวเพราะลืมตัวแล้ที่ลืมตัวก็เพราะว่าสติมันอ่อนสติคือความระลึกได้คนเราปกติก็มีสติอยู่แล้วแต่ว่า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 ลืมตัวเสีเยอะเราก็เลยเอาความทุกมาใส่ตัวเอาความทุกมาใส่ใจแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ความสาคัญกับเรื่องของจิตใจเรารู้เราตระหนักว่าสุกหรือทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราเป็นสาคัญเนี่ยก็จะมาให้ความสาคัญกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจให้มากขึ้นเดี๋ยวเพราะเรื่องการเจริญสติพวกเราเรื่องการทาบุญให้ทานการทาความดีเราก็ทากันไเยอะ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 สำหรับการทำงานต่างๆให้เป็นไปได้วยความรู้ตัวนะอย่างถูกต้องถูกเวลาลายของแต่โมโหที่คนมาต่อราคามากเกินไปก็ด่าลูกค้าอันนี้พระลืมตัวลืมตัวก็เลยเลยไล่ลูกค้าไปเลยเรียกว่าสติก็ไม่มีสัมปชัญญะก็ถดถอยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติระลึกได้เนี่ยจะทาแล้รก็ทาได้อย่างถูกต้องเวลาประชุมอาจจะงุดหิดลาคาลโมโหใครสักคน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 ทอแท้เบื่อหน่ายก็ดีเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเราท้อแท้เบื่อหน่ายไอ้รู้แต่ละขณะแต่ละขณะ น, นี่แหละมัททำให้สติเราจรยงอกงามจนกระทั่งสามารถที่จะปลดเปื้องเราออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้ต่อไปพอโกรธล้วก็รู้มันก็วางได้ทันทีต่อไปมันทำท่าจะเกิดก็รู้มันแล้วรู้มันทันทีที่มันขยับทันทีที่จิตไหวนี่ก็รู้แล้วเห็นของอะไรอยากจะซื้อก็รู้ทันความอยากนั้น